ผู้รู้ไม่ชอบฐานะสมโถทร์ผู้ก็เกิดอารียะสถานใครณเพื่อ บนภูยอดทอดสร่อนดุจพันไม้หลายหลากมีหิมพานต์ประงางอนพฤกษาต้นอุดมพะสมศรีมะม่วง หมดงามดีม่วงไข่นี้จิ๋นเป็นน้ําตามคลองหลวงปุโสเห็นซึ้ง สารโมน้ําหั่นเด็กก่อประเดิมเติมเชื้อหลักธรรมที่พักดับทุกข์ลามลุก ดูปู่ผาไม่สะเทือนลือนลานนี้ผู้ คือวงพ้อขันธ์ 4 อย่างนะวัโวภาวนาว่าสุดยอดให้รอดปลอดทุกข์มี ที่เห็นเป็นอัศจรรย์นามคลิงไกรกราบบรรพตาหลวงปู่ช่อน้อมใจ บุญมีเมตามีเมตตาขอกราดพาก้มน้อมเสียนผู้ที่ผลเกรงไกรขอกราบนมัสการเรียนข่มน้อม ที่ท่านได้มีตาให้ข้าพเจ้าได้จัด 6 ชั้นที่ท่านได้สร้างมอบบริจาคให้โรงพยาบาลจังหวัดเลยมีครั้งนี้จากการปรารภของพระคุณท่านหลวงพ่อขันติท่านได้เคยปรารภว่า วัติมีความเป็นมาอย่างไรดังนั้นหากได้จัดทําประวัติไว้ก็สามารถ เนื่องในงานบำเพ็ญบุญคล้ายสูง 6 ชั้นจำนวน 126 เตียงโดยตั้งชื่อ ข้าพเจ้าต้องขอกราบนมัสการกราบขอบพระคุณ เป็นพุทธบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเพื่อบูชาและรลึกถึงพระคุณของๆอาทิเช่นหลวงปู่แหวนสุจิโนหลวงปู่ชอบฐานะสมโณหลวงปู่ศรีจันทร์ หลวงปู่ชัยสันตุฏฐโกและหลวงพ่อขันติญาณโหโร นำมากล่าวบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบซึ่งข้าพเจ้าได้เดินทางไปๆที่เกี่ยวกับวัด ได้รับทราบอย่างละเอียดชัดเจนถึงประวัติความเป็นมาของวัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2444 ตรงกับ 5 ค่ำ 3 ปีฉลู 1263ณที่บ้านโคกมุ่น โยมมารดาชื่อว่านางพิลาแก้วสุวรรณท่านมีพี่น้องร่วมบิดา 4 คน, คน. คน, กกคน 2 คนหญิง 2 คน 1 ตัวท่านชื่อ 2 เป็นน้อง 3 เป็น ชื่อว่าแดงแก้วสุวรรณคนที่ 4 น้องชายสุดท้องชื่อว่า 3 คนปัจจุบันนี้ก็ได้ถึงแก่กรรมไปหมดซ้ายจังหวัด มีอาชีพทำนาแต่โดยสภาพพื้นที่ เอ่อก็ไม่ค่อยที่จะเพียงพอต่อปาก เหมือนแต่ก่อนหรืออดีตที่ผ่านมาตระกูลของท่านจึงได้พากันอพยพหนีความอัตตกัดฝึกเครือง เหมาะสมสถานที่แห่งนั้นก็คือการทำมาหากินสถานที่ และยังคงยึดอาชีพหลักคือการทำนา ชีวิตนับว่าที่ท่านเป็นวัยเด็กนั้นนักว่าท่านๆทั้งหญิงและชาย ชาติจะย้อนหลังไปเมื่อ 70 กว่าปีก่อนมีสภาพเป็นบ้านป่าชนบทมีลักษณะ ก็ต้องเด็กโตหรือลูกคนหัวปีอย่างท่านกันทําหน้าที่เลี้ยงควายเช่นกันขณะหน่อบงหน่อไม้ รู้จักว่ายอดอ่อนของต้นไม้ชนิดใดในป่า ไถนาเกี่ยวข้าวหาผักหญ้าแต่ด้านการ ท่านจะไม่ร่วมวงเล่นด้วยอย่าง 14 ปีได้มี ไสบ้านของท่านพระธุดงกรรมฐานองค์นั้นมี บรรณนิบัติอุปถากถวายกปิยะจังหันอยู่มิเดขาลตัวท่านเองก็พลอย พระอาจารย์ภาจะตั้งใจปรดเด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้ว และสิ่งใดไม่ควรประเพณเวลาว่างก็ได้เมตตาสอนหนังสือให้บ้าง ท่านก็จึงออกปากเอ่ยชวนให้ไปๆอย่างไม่ลังเลเลยว่าชอบครับท่านจึงถามย้ําอีกว่าบวชกับ เมื่อท่านไปขออนุญาตมารดาเพื่อที่จะได้ติดตามพระอาจารย์ไป ที่เห็นว่าในวัยเพียงเท่านี้เห็นว่าในวัยเพียงเท่านี้ คงจะได้รับความคุ้มครองดูแลจากท่าน และทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคําถามจากมารดาก็ดีจากญาติ ในเวลาการต่อมาเวลาการต่อมาชื่อเด็กชายบ่อจึงกลาย 19 ปีพระอาจารย์ทาก็ได้จัด ซึ่งประวัติวัดบ้านนาแก่บ้านนาแกชื่อบัญชีตามราชการทางศาสนาชื่อ ท่านก็ได้ใช้ชีวิตระหว่างการเป็น 4 ปีโดยท่านได้ปฏิบัติรับใช้พระอาจารย์พาๆเพิ่มเติม แต่อย่างเช่นๆได้มีโอกาสไปกราบ 23 ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบท ในขณะนั้นยังเป็นอำเภอ 21 มีนาคมปีพุทธศักราช 2467 ตรงกับวันเสาร์ 13 ค่ํา 4 ปีชวด 1286 โดยมีท่านพระครูวิกิจวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์แดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้ๆร้อมๆมาก ซึ่งท่านสาธุชนสามารถจะติดตามหา จากข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ติดต่อสอบถาม พร้อมทั้งบุตรหลานของคุณพ่อเชียงหมุนทั้งคุณพ่อเชียงหมุนหลานอายุราประมาณ 37 38 ปีเมื่อได้ 2491 ถึง 2492 คุณพ่อเชียงหมุนได้มีอาชีพทำไร่โดยการจับจองพื้น ก็ได้ออก ל้าสัสตร์ ตามปกติดังเช่นทุกกวัณที่ผ่านมาขั้นก็ได้แลเห็นพระ มาปenos อยู่ห่างจากบอนน้ำมามา 300 กว่าเมตรคุณพ่อเชียงมุนได้อยู่ในป่าและบังเอิลผ่านไปพบก็เข้าไปกราบไว่หลวงปูชอบ และหลวงปู่ชอบก็ได้ทราบจุดประสงค์ แล้วจะเอาอะไรมายังชีพหรือเลี้ยงครอบครัวซึ่งในอดีตช่วงขณะนั้นเอาอะไรมายัง ที่พ่อใหญ่เชียงมูลมักจะพูดให้บรรดาลูกๆหลานๆได้รับ แล้วก็จึงได้พากันชักชวนเดินทางไปยังพระธาตุทนมเมื่อ 1 แลวา พร้อมกับปัจจัยมีมูลค่ามากถึง 50 สตางค์ถวายต่อองค์พระเจดีย์พระธาตุพนม ต่อมาถึงยุคสมัยกรุงศรี แต่พ่อค้าผ้าซึ่งเป็นเพื่อน ขอและขอให้พบสุขโดยแท้จริงตนเองได้มีโอกาส ไม่อยากให้เพื่อนในอดีตชาติได้ก่อกรรมทําเข็ญ และเด็กหลบหนีเพ่นไปหลวงปู่ชอบท่านได้ปิยาม รับผ่านแล้วทําให้ชุ่มคอชื่น ม่วงไข่นี้จริงเป็นนามหรือเป็น เพราะมาม่วงเหลือเพียงไม่กี่ต้นเท่านั้นมะม่วงเหลือเพียงใช้เวลานานพอสมควรกี่ต้น หลวงปู่ชอบจึงได้แนะนําให้โยมเชียงหมุนนั้นนําปืนไป เพื่อโปรด 2500 ผ่านพ้นไปได้ไม่นาน โยมจึงหมุนต่อมาก็ได้กลายเป็นโยมอุปถัมภ์คอย หลวงปู่ชอบคงจะมาพักอยู่แต่หลวงปู่ชอบ พร้อมทั้งโปรดญาติโยมญาติโยม บางครั้งท่านก็จะเมตตาให้พม่าลาวหรือที่อื่นๆ1986 หรือ 26 ปีที่ผ่านมาแล้ว 2529 หลวงปูชอบได้เมตตาให้โยมชิมมุนหรือหนังสือเดินทางไปยังต่างประเทศหรือนังสิเดินทางไปอย่างต่างและประเทศอื่นๆซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยหลวงปูชอบ ด้วยหวังจะให้โยมชิงหมุนได้ไปปราดนมัสการแดน ดังนั้นวัดมุ่งไข่มีอดีตสมัยแรกเริ่มสร้างเป็นเขตวัดมุ่งไข่ที่ ที่เป็นลูกศิษย์คอยหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมา ยากที่จะหา 59 ปีซึ่งทําหน้าที่เป็น 2502 บริเวณ ในขณะนั้นราวประมาณช่วงเดือนมีนาคมของปี 2502 ก็ได้เกิดไฟป่าได้ลุก กุตริที่ล้อมรอบไปด้วยไฟป่าที่ตำลังเถา暗มรุกใม่แดงชานไปทั่วทั้งป่าชาบ้านไม่สามารถที่จะบุคฟ่าเข้าไปยังบรวเวิงกุตริที่พักของล่วงปูชอบเพราะไฟได้ไม่รอบด้านหญาติยมทั้งหลายต่างบ้าคิดว่าหลวงปูชอบคงจะได้รับอันตรายหรือผุไฟป่าเหหาเคราะบมรณะเป็นแน่แ Murphy ต่างก็พากันหวาดวิตกโดยทั่วกันครั้นเมื่อไฟ ที่ถูกไฟไหม้เผาผลาญเรียบดำเป็น พาบ้านบ้านได้พากันสอบถามหลวงปู่ชอบว่าท่านมีอะไรดีที่เป็น อ่าฉัยทาถานกคุ้มสีเคยหญิงบอกนก ต่างก็พากันกล่าวขานโจจันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ชอบผู้ โดยเที่ยวจาริกทุรดงไปในถิ่นๆวัดม่วงไขเค้าจึงปล่อยให้เป็นหน้า เป็นสถานเมื่อวันที่ 8 มกราคมพุทธศักราช 2538 อันขึ้น 8 ค่ำเดือนยี่ปีเว 15 เวลา 12:15 น. รวมอายุได้ 93 ปี 10 เดือน 25 วันคันษา 71 อุปมาเหมือนพระคุณท่าน ควรตั้งมั่นอยู่ในไตรสิกขาบังเพ็ญเพียรพลานพึงระลึกถึงปี 2538 ชี้เวลาเที่ยง 15 ว่านาที 10 ระดีหมอมนต์ทุกคนอะไรอืมยะเล่นหลวงปู่แสดงธรรมสําคัญยิ่งภาวนา มั่นสร้างดีมีศีลธรรมปฏิบัติเพื่อขจัดรวบผลผลทุกข์า ศพก็ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอ 11 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2539 เวลา 10:00 น. บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกมีรุณศาลาเมตตาฐานะสมโภชวัดป่าสัมมานุสรณ์ประสงฆ์ 10 รูปสวดพระสมุนจบมีพระธรรมกฤษณากัน 1 และ วัน 12 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2539 เวลา 10:00 น. พระสงฆ์ 10 รูปบางสกุลเชิญเวลา 16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรง วัน 13 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2539 เวลา 7:00 น. พระราชทานอาหารๆได้ พร้อมทั้งบูรณะ 2545 หลวงพ่อ 39 ได้เดิน ที่ท่านได้ปรารถนาจะเป็นดินแดนที่สุจิตรบำเพ็ญภาวนาหลวงพ่อขันทีท่านได้ทุ่มเทมุ่งหวังกระทําเพื่ออุทิศธรรมบูชาสังฆบูชายังถือว่า โครงการต่างๆที่หลวงปู่ชอบ มากล่าบรรยายให้ท่านสาธุชนได้รับทราบกล่าวบรรยายให้ท่าน พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลที่สําคัญต่างๆนํามาเสนอให้ท่านทั้ง 136 หมู่ 8 ตําบลบ้าน ปัจจุบันคือบ้านหนองบัวอำเภอ 2486 ตรง 14 ค่ำเดือน 11 ปีมะแมเป็นบุตรชาย โยมบิดาและมารดาได้ตั้งชื่อบุตรชายคน 7 คนตามลําดับ 1 ชื่อเด็กชายตรีแสง 2 เป็นหญิงชื่อ ได้เสียชีวิตในช่วงช่วงตั้งแต่วัยเยาว์คนที่ 3 เป็นหญิง พระอาจารย์ทวีบุญญะปัญโญเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านห้วยเดื่อหรือมีชื่อเรียก ก็ได้ให้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ดีทําให้ครอบครัวตระกูลแสงคําอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งโยมบิดาและปีราวปีพุทธศักราช 2499 บรรพชาเป็น โดนมีพระพิสารสารคุนหรือหลวงปู่นั้นพระพิสารสารคุนท่านจึงเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กับสามเณรขันติเมื่อได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ได้ฝึกฝนในการปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาด้วยความวิริยะ จึงได้ทําพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 2 มิถุนายนพุทธศักราช 2507 ตรงกับวัน 8 ค่ํา 7 ปีมะโรงโดยทํา น. ณที่พระอุโบสถวัด โดยมีพระพิสารสารคุณเป็นพระอุปชาพระครูสีธรรมาหลักการณ์เป็นพระสัมมวาจาจารย์พระมหาสีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ในช่วงพรรษาแรกปีพุทธศักราช 2507 ท่านจึงไปพักจำพรรษาที่วัดป่ากิริวัณ ท่านจึงได้จาริกทุรดงไปยังวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยเพื่อทําการศึกษาการปฏิบัติภาวนากับหลวงปู่คําดีปะภาโสซึ่งหลวงปู่ก็ได้เมตตาต่อหลวงพ่อขันติยินดีที่จะแนะ พร้อมๆอาทิศรัทธาราคจริตวิตกจริตจริตวิตกจริตว่ามีความเข้าใจเป็นอย่างไรต่อจริตทั้งหกนี้โทสะจริตพุทธให้ ได้รับทราบอย่างละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักได 40 รูปซึ่ง ในปีนั้นบางวันจิตก็ฟุ้งซ่านมาก เพื่อปฏิบัติภาวนาให้มากยิ่งขึ้นๆพรรษา 3 ปีพุทธศักราช 2509 หลวงปู่คําดีจึงได้พา มีหลวงปู่บัวสิริพนนุเป็นเจ้าอาวาสใน ไปที่ไหนถ้าใจไม่มีสติไม่มีปัญญาความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมเดินนั่งนอน ก็จะมีความร้อนเต็มไฟเพราะใจได้ถูกโมหะควรที่จะมีสติระลึกรู้ตัว ไม่ติดปล่อยเวลาให้ล่วงไปล่วงไปโดยไม่ หลวงปู่คำดีท่านจึงได้เดิน เพื่อจะได้นําไปปฏิบัติหลวงปู่แม่ครูบาอาจารย์ทั้ง เราแลต้องตัวเราเป็นผู้กระทําทั้งจิต พวกจึงวุ่นสับสนสอดสายซอกแซก ท่านก็ทําแทนเราไม่ได้นอกจากตัวของเรา หลวงพ่อขันติท่านจึงได้เร่งปฏิบัติอยู่อีก 4 พรรษารวมทั้งสิ้น 5 า, 13 ราปีพุทธศักราช 2519 ท่านได้เดินทางไปกับหลวงปู่ชอบเพื่อคอยปฏิบัติอุปถากดูและได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ชอบที่ 14 ถึง 15 ราว 2520 ถึง 2521 หลวงพ่อขันตีท่านได้ เพียรจากความเป็นผู้ที่มีใจพยาบาทจองเวร ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าจะพูดถึงก็มีคุณมากทุกข์ถ้าจะพูดถึงก็มีคุณมากก็จําต้องรู้ทุกข์เพราะทุกข์ไม่ตั้งรับแสง อายโดยไม่เด็ดมรรคได้ผลอะไรเพราะใจนั้นมืดตอดอยู่กับวัตถุค้าวของเงินทองที่ไม่มีสาระแก่นสาร พระไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องภายนอกพระอริยสงฆ์สาวกของพระอดีตอนาคตให้กําหนดรู้ ธรรมก็จะเกิดจะมีใจไม่โกรธหลงเป็นไฟที่เผาใจตลอดเวลาเกิดมาไม่มีใครไม่มี นี่ทั้งนั้นเพียงแต่จะมี 16 ปี 2522 หลวงพ่อ 1 พรรษาหลวงปู่ ช่วง 17 ราว 2523 ท่านจึง 18 ราว 2524 ท่านไป 19 ถึงพรรษาที่ 23 ราปีพุทธศักราช 2525 ถึงปี 2529 ท่านได้พักจำพรรษาที่วัดต่าห้วยเหนือ 2530 ท่านไปพักจำพรรษาที่วัดบ้านบงอำเภอภูเรือ ช่วง 25 ถึง 34 รา 2531 ถึง 2540 หลวงและในช่วงสิบปีนี้ขันติได้ กระทั่ง 2538 เมื่อ 8 มกราคม 2538 หลวงปู่ชอบท่านจิงเดชลสังขารซึ่งหลวงพ่อ 2539 นี้ หลวงปู่ชัยสันตุฏโฐซึ่งเป็นบิดาของหลวงพ่อขันติ 88 ปีพรรษา 29 ดังนั้นสิ่งทั้งหลาย ทั้งหลายทั้งมวลล้วนเป็นอนิจจังท่านจึงได้พยายามปลีกแล้วอายุย่อมจะมีแต่ผ่าน แล้วก็มาแก่ก็ม่าแก่เกิดมาเจ็บเกิดๆนี้ว่าจะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูน้ําเลือดน้ําหนองน้ําอาหารเก่าอาหารใหม่ ที่มีอยู่เต็มอยู่ภายในไม่ ยังต้องหรือประสบอุบัติเหตุก่อนก็มีมากบางคนเป็นโรค เม็ดสามารถควรที่จะเร่งความเพียนรักษาๆยึดยึดชุดเอา คือไม่ตั้งใจรักษาขอให้เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อขัดเราเอาชนะกิเลสให้จงได้เมตตาภาวนา ไม่ชอบสั่งสมบูรณ์ชอบอยากได้มากๆทะเยอทะยานอยากมากๆไม่อยากกระทำความดีเราต้องเพียรพยายาม มีเอาชนะกิเลทุกวันสัมปชัญญะเอาชนะกิเลสทุกวันวันนี้ ถ้าขาดการดูแลรักษาไม่มีใคร ย่อมในปัจจุบันแน่นอนประสบความสําเร็จโดยฤทัยใน ร่างกายและดีมากๆไม่มีอะไรที่จะไม่ดีก็หูจมูกลิ้นตายใจอายตนะทั้งไม 6 ไม่ หลวงพ่อขันตีนท่านยังกล่าวต่อไปอีกว่า ท่านระวังทางหูให้มากให้สำรวมระวังตาระวังทางหูให้มากเพราะเสียงที่อันตรายรุนแรงกว่า เคารพหนักแน่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเคารพหนักแน่นในพระอริยสงฆ์สาวกของพระ อย่าไปรับรู้เรื่องของผู้อื่นไปรับรู้เรื่องของผู้อื่นเรื่องของตน ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้เพราะชีวิตล่วงไปเร็วมากอายุมนุษย์สั้นมากๆ ถ้ามี ring ทำความไม่ควรเป็นนักก่อสร้างก็จะ ใจสำรวมระวังตั้งใจปฏิบัติมั่งคินๆถ้าเป็นคนที่ขาดสติขาดความ เด็กเขียนในหนังสือชีวประวัติหลวงพ่อได้บอกไว้ว่าข้าพเจ้าเขียนเองหมายถึงพระเดชพระคุณท่าน หรือญาติโยมทั้งหลายเมื่อปี 2551 หลวงพ่อกันตี้ท่านได้กล่าว บางครั้งพอลงมือเขียนยังไม่ได้พอบรรทัดก็มีคนมาเรียกหาพอลงมือเขียนยังไม่ได้พอบรรทัดก็มี ที่จะกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจจะกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจๆมีแต่เรื่องนิสัยอุปนิสัยจะไม่มีใครเขาพอใจ บางคนมองหยิดหยามประณามพระครูๆ หลวงปู่คําดีท่านมักเตือนเสมอว่าอย่าขาดสติอย่าขาดความเพียรหาก ให้ตั้งใจบำเพ็ญอย่าได้หลงในวัตถุ การเขียนประวัตินั้นเขียนไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนั้นเน้นการให้พิจารณาโลกธรรมะจาก ไม่จะต้องตายกันทั้งหมดทั้งสิ้นวันหนีพ้นจากการตายจะต้องตายกัน ให้มีศีรณบริสุดอยากยิ่งมีภาวนายาประมาติในชีวิตเพราะชีวิตคว่าจะได้เป็นมนุษย์แสนยากลำบากสมดังบารีที่ว่าอักขังถานังมนุษย์เสสุเป็นมนุษย์มีฐานอันเลิศที่สุดเพราะได้สร้างบุญอย่างเต็มที่ทุกอย่างการศึกษาบําเพ่นโปรนา ถ้าไม่อ้างการอ้างเวลาการภาวนาก็จะสงบได้ทุกท่านไม่มีที่จะ เป็นปะลิโทษกังวลในการก่อสร้างทําให้ ต้องไม่มีงานภายนอกไม่มีงานภายนอกต้องสำรวมจนถึงวันตาย ถ้าหากไม่ยินดีอินร้ายในโลกแก่เกิด บังคับไม่ให้เจ็บก็บังคับไม่ได้ไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใคร จงตั้งใจรักษาศีลตั้งใจว่าเป็นของสวยงามอยู่เลยศีลเจริญเมตตาภาวนาให้ ก็จะยิ่งทุกข์หนักมากๆเราต้องพัฒนาจิตใจให้ๆให้เห็นโทษรูปภพอรูปภพต้องอสุรกายสัตว์ ไม่มีวันจะพ้นเราเป็นมนุษย์นี้นับว่าดี จะทําให้เกิดทุกข์หนักมากๆไม่มีโอกาสได้รับแสงสว่างไม่เกิด ถ้าไม่บำเพ็ญพอใจในสิ่งนั้นอินทรีย์ก็จะไม่ๆการไตร่ตรองใคร่ครวน ต้องอดทนต่อหน้าที่การงานอดเราต้องอดทนไม่กลัวร้อนหน้าที่การงานไม่ว่าจะหนักหรือๆ วิธีแก้จิตแก้จิตครูบาอาจารย์เราให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายไม่ตามกิเลสต้องทํา จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวจักไม่รู้บาปบุญคุณโทษเมื่อภาวนาก็จะต้องรู้และเรียนๆยิ่งขึ้นเพราะกว่ายิ่งๆขึ้น หลวงนั่งนอนยืนเดินให้รู้ตายตายตลอดเพราะใจ ตั้งใจระลึกเสียใจกับเรื่องภายนอกความตายตายทุกขณะลม เกิดแก่เจ็บตายให้เห็นแต่เราไม่เคยน้อมเข้า ล้วนคือธรรมะที่พระคุณท่าน ในช่วงปีพุทธศักราช 2538 2539 ท่านเคยเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อขันติวหวังว่าจะ ก็เด็กก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์สมบูรณ์ทุกโยมสุวิทย์จึงได้วัดป่าม่วงไคซึ่งในครั้ง ที่ได้มาอยู่ที่วัดป่ามุ่ง รั้นพอผ่านพ้นงานถวายพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชอบผู้ คือจะ 35 ราว 2541 หลวงประกอบกับช่วงดังกล่าว ได้มีญาติโยมพยายามมานิมนต์ให้ท่านไปช่วยเหลือหรือ กระทั่ง 36 ถึง 38 ราวปีพุทธศักราช 2542 ถึง 2544 หลวงพ่อกัณฑ์ตี้ท่าน หลวงพ่อคันทีได้กลับมาอยู่ที่วัดป่ากล้วยเดือท่านก็ไม่ ไม่มีที่ไหนเหมือนมีพื้นภูมิบีหลายไหนเหมือนหลวงปู่ชอบเคย 2544 หลังจากออกพรรษาแล้วหลวง מ�jayคัดด่าง Vega ่า alright ในพ Beschดายอันฟาที่อาว destruc Buna store включ lemar หนูบาจมอ lungral fee แล้วคถึงมิ Coast พูดถือเรา wants to know the symmetry of the gentianist devant it and extensive faith. Tier. liberties in a world within the international archive ตอีกแล้วความกงivel Techniques หัวบją because of our 망แล้ว ๆ mean the fisherman regime of Clair. Levit 귀给 Sehering is very概要 based our patrons.กอด word then 똑같이 Hal.สุดุ่ retail facility ately a childbot dem Her filet interested ราปีพุทธศักราช 2545 หลวงพ่อขันติอายุ 59 ย่าง 60 ช่วงอายุดัง 60 ปี ก็ได้มาจำวัดสาที่วัดป่ามุ่งปัญญาให้ครบ พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยคือว่าเป็นเสมือนญาติ ถึงพระรัตนตรัยพึงระลึกดังนี้ก็ได้ ราคะโทสะโมหะทั้ง 3 นี้ท่านว่าเป็นเครื่องที่เราร้อนกระวน หรือความตายความตายชีวิตขาดกายแตกวิญญาณดับและความโศกความเหือดแห้งใจความ สัมมาสัมพุทธโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นที่พึ่งของเราพระองค์ เห็นตามดับเพลิงกิเลสและๆสวาคาโตภควตา พระทรงคุณที่ยิ่งใหญ่มีพระผู้ปฏิบัติชอบช่วยให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นได้คือท่านศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานพระ จึงควรเลื่อมใสจริงๆสุปฏิตโนภควโตสาวกะสังโฆพระสงฆ์ผู้เป็นสมาธิปัญญาบรรลุ ซึ่งกิริยาเพ่งทุกข์ของตนได้แล้วสั่งสอนให้ผู้อื่นๆหมด ย่อมให้สําเร็จสมความปรารถนาแก่สัตว์ผู้ที่เลื่อมใสได้ทุกประการเหตุนั้น จงอย่าได้ประมาทในสาธุสาธุอหโมทามิหลวงพ่อ การเขียนชีวประวัตินั้นไม่ละเอียดเพราะข้าพเจ้าไม่มีความรู้ความฉลาดในการเขียนและการเรียบเรียงพรรษาหรือการนำเอาธรรมของครูสรุป ตั้งแต่บวช 2507 ถึง 2551 พรรษาที่ 45 อายุ 65 ปียังไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลยไม่มีความรู้ความฉลาด จะต้องตั้ง 1 กรกฎาคม 2551 นี่คือท้ายบท ให้รู้สึกซาบซึ้งในหลักธรรม เกิดมาเป็นมนุษย์ฤทธิ์ประเสริฐท่านจึงได้พยายาม จึงจำเป็นต้องเจริญสติมองให้เห็นพระไตรลักษณ์ดังจะ พระทุกขังตั้งไว้ให้มั่นคงป้อยดำรงชำระประสัสโทโสให้ผ่องแผ้วเหมือน เอาสติตั้งไว้เป็นคือความ บรรดาสีบริสุทธิ์ก็พร้อมเพรียงเหมือนเกราะเพชรสวมใส่ในสนามคอยป้องกันอวิชชา สำหรับฆ่าพยาบาทให้ขาดทานปะยามานใช่แท้วิขันติประกร พระกรุณาเป็นโยธาเบื้องขวาทัพ ย่อมสังหารมาม้วยมรณาพระปัญญาเหมือนดังดวงมณีสำหรับส่งช่องมืดให้สว่างแจ่ม เสด็จนั่งเหนือหลังสิงทัพพชาติอิทธิบาททั้ง 4 ศรัทธายังมั่นตั้งไว้เป็นสถาด้วยปัญญาอุปถัมภ์มรรคหมูไม่ย่อหย่อน วิริยาล้ำเลิศประเสริฐนักดั่งองค์ พระผู้ชงทรงโฉมดั่งโคมเพียรไม่วนเวียนพาส่งตรงนิพพานใครได้ สาระสันสุขอะไรจะมาสุเหมือนเมืองแก้วสุขจริง ใครสมสู่อยู่ได้เกอิสมานย่อมสาทานความทุกข์สุขไม่มีเชิญรีบธรรมรสบด ไปสู่อมตะศิวะโมดับทุกข์โศกโรคร้ายหายทุกข์ขนไป คือถือมั่นไม่ลดละพระพุทโธ สู่นิพพานสุขสราญเป็นสุขยิ่งรู้ของจริงทิ้งของผิดทิฏฐิถอนละบรมสุขทุกข์สมัยภาวนาอย่าได้ละเชื่อ ความประมาทอย่าให้มีทุกการไปคงจะได้ทันพบพระพุทธาใจผ่อง พระตรายลักษณ์ณนวมกล่าวไว้ย่อแสดง <ณ. S 2> นเรผ่านผ่านทุกไปคิดสิ่งใดได้เสนอสม ท่านได้มีโอกาสปรนิบัติรับใช้พ่อต่างๆอาทิหลวงปู่แหวนสุคิโนหลวงบิดาและ ท่านก็ได้มุ่งบำเพ็ญปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนามุ่ง 91 ปีแข็งแรงสมบูรณ์ดีเพราะบุญบารมี ได้เขียนถึงหลวงพ่อคันติเมื่อข้าพเจ้า และสำเนาการถ่ายเอกสารบางแห่งก็สอนที่สําคัญสมดังนักปราชญ์ ท่านได้เขียนถึงหลวงพ่อขันติเมื่อ 2521 ในใจความ 18 ตุลาคมพุทธศักราช 2521 มา ด้วยพ่อจำปาภาษาอยู่ที่วัดบ้านจิตอุดรเพราะทราพาท่านอาจารย์กิ่งท่าน ห่างกอหีความสะดวกของพ่อเวลาๆเอาตัวพ้นจาก ท่านสงท่านพระอาจารย์ชอบมานั้นนี้น้องๆปรากฏในจำเริญต่าง เพราะพระองค์ได้ทรงตรัสว่าใครอุปถัมภ์พระภิกษุไข้ อาสามเณรทวีพาไปแต่พ่อเกรงใจเพราะมีนทวีอยู่ใน จะชักจวนให้ออกจากศาสนาฉะนั้นโอให้ลูกจงตั้งใจอย่าได้ ลูกคนหน้าคงจะสะดวกดีเพราะห่างไกลจาก ตามจังหวัดและอำเภออื่นอยู่เสมอณที่ศูนย์นี้ หากจะคิดย้อนจากจดหมายฉบับนี้นาน 32 ปีนับ 2521 ถึง 2553 ในปีปัจจุบันซึ่งในปีดัง เป็นเสมือนเครื่องเตือนสติเมื่อ 32 ปีก่อนนั้นด้วย 35 ปีอุปสมบท 15 พรรษาจัดหมายฉบับ บินามนดาอุปมาเหมือนพระอรหันต์ในบ้าน โดยมิเกรงกริ่งต่ออุปสรรคปัญหาใดๆเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ของท่านอาทิหลวง หลวงปู่ชอบฐานะสมโภช พร้อมรูปหล่อจำลองของหลวงปู่ แรมปีพฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมาหลวงพ่อขันติท่านก็ ซึ่งมองจากด้านหน้าจะเห็นเพียง จิตใจก็ย่อมที่จะมืดมนต์ ย่อมที่จะมั่นคงไม่หวั่น อุปมาเหมือนอาคารชั้นล่างศีลสมาธิและปัญญาหาก พระคุณท่านหลวงพ่อขันติยานนโรเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ เป็นพื้นภูมิทําเลเหมาะสําหรับปฏิบัติว่าเมื่อปฏิบัติบําเพ็ญ หลวงพ่อคันธีญาณนโรท่านได้ทุ่มเทเพราะเหตุนี้ ท่านที่ได้มุ่งหวังจะคลายจากทุกนานาประการให้อันตรฐานหมดไปจากจิตใจได้สร้างสถานที่ศีลสมาธิและปัญญาหลวงพ่อ 5 ศีล 8 ก็จงพยายามรักษาให้ถึงพร้อมน้อมทั้งกายและ ที่อยากให้ญาติโยมได้ กับหลวงพ่อขันติสมัยเมื่อครั้งหลวงพ่อขันติไปอยู่ปรณมิบัติอุปถัมภ์อยากหรือทุกข์อันเกิดจาก หลวงปู่ชอบท่าน 2538 จากไปเสีย อีกทั้งเพื่อเทิดทูนถวายพระคุณ หลวงปู่ชัยสันตุฏฐิโกเป็นต้นท่านจึงได้ 6 ชั้นสามารถ 126 เตียง โดยมีพระราชยานณวิสุทธิโสภณหรือหลวงปู่ 70 ล้านบาท 2552 เป็น พระคุณท่านหลวงพ่อขันติ คงต้องอาศัยพวกต่างก็จึงได้พากันร่วมแรงร่วมใจเกาะเรือลํา และพระกุ� hablando pakITA พ่อพ target add ด constitutional law public, would be free to establish the fact that the chief of the may seem to me at the M communism. Was known as a Greek displaying for United States, evidence thatク Analogyanctions has delivered the fact that the female leader lived to представitar the that third militaryOverview Act was ผู้นั้น 2552 เป็นต้นมาต้นมา 12 ตุลาคมปี 2553 เพียงระยะแค่ สามารถรอง 126 เตียงก็ได้ปรากฏต่อ ที่ช่วยนำพาตุลาคมปีพุทธศักราช 2553 บรรดาคณะศิษย์ญาณนุศิษย์ต่าง ต่อพระคุณท่านหลวงพ่อจึงได้ถือโอกาสจัด ต่างก็ยึดมั่นในอุดมการณ์อันสูงยิ่งด้วยศรัทธาที่ยึดถือคุณพระ ดังที่จะขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของพระ เป็นสิ่งดี 2 ครั้งท่านปลื้ม พระแสงสูงดำรงซึ่งอาชญา สัตยัญจติในหฤทัยพระราชาเป็นคุณของเทวาผู้ อันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับ ไกรคุณค่ากรุณาไว้อ่าจริงดังอนุกูลเพิ่มพูนผลเรียนวิชากรุณา แม้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปริจชีพจะยิตหลักดวมประทีคือสงสารยอมเหลือยากตรากรัมใจสำราญ ทั้งยังเป็นการเพื่อถวายๆและพระคุณท่านหลวงพ่อขันที ซึ่งได้จําพรรษาที่ 20 สิงหาคม 2553 ที่ข้าพเจ้าได้ ที่หลวงพ่อกันตี้ท่านได้สร้างบริจาคให้กับทางโรง อนุญาตโยมเอ่ออยากให้ตามคุณกรุณาประกาศเทศน์เข้าไปใน อายุที่มีสภาศาสนะอ่าได้สร้างถวายไว้เป็นสมบัติของชาติเอ่อสําหรับไว้ใช้และบริการด้านศาสนสุคไอ้แก่พระวิสุทธิคุณสําเร็จในนั้นพอปริญญาณศาสะสุอัลมอดนาเจริญพ่อท่านดีเอ่อ ได้ได้โปรแกรมนักเเลกข้ออายุ 80 ปีอยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ 3 ตําบลน้ําแคมอําเภอ ซึ่งเป็นเตียงที่ได้จัดเสริมคุณยายตาท่านนี้อึ้งตันใจจนน้ํา ที่ได้เมตตาสร้างตึกอาริยะ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 6 ดำวนชัยพฤกอำเภอเมืองจังหวัดเลยในขณะที่นอน แต่ก็พอสรุปได้เจกว้างว่าท่านรู้สึกดีใจ นายแพงเมื่อกล่าวจบก็ได้ยกมือสาธุอนุโมทนาและขอพรจากหลวงปู่ชอบและหลวงพ่อขันติเพื่อขอบารมีท่านช่วยปัดเป่าโรคที่ดีใจ ข้าพเจ้าก็ปล่อยเกิดความปิติๆต่าง ฉะนั้นท่านใดอยากจะร่วมบริจาคสร้างถวายร่วมในกอมหากุศลร่วมกับพระคุณท่านหลวง 758-2-00777-4 จะเอ็นได้ว่าพระคุณท่านหลวงๆเป็นการ ตลอดทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายอาทิหลวงปู่แหวนสุจิโนหลวงปู่สีจันทร์วรรณาโพหลวง ดีวิทัศน์ชุดนี้ก็ถวายมอบเป็นธรรมมานุสรวิทยาทานและขอกุศลผลดีทั้งหมดที่ หลวงพ่อขันติญาณนวโรและ พร้อมทั้งยังได้นำมาสั่งสอน ไตรประเสริฐแสนอุดมด้วยความดีพระคุณมีเมตตาปัญญา พระธรรมธรรมที่ไกลที่โลกที่สาพกยกเอาคำสั่งสอนทั้งแต่มี ผลมิมุติสืดรอดอันตรราายพุ้นอบายใจสว่าทั้งคานิเภชพระสงค์ทรงศิขาสถาคตน้อมตรนุธแดพระองค์ผู้ทรงศีงเป็นเนื้อนาประชาราปราชทงถิมเรือนระบิน แต่ปฐมบรมกาลประพฤติดีมีศีลสิ่งสงสัยเป็น หลวงพ่อขันติชี้ชัดปัดทุกขังต้องทําจริงจึงได้จริงอิงสัจจังอย่าเถือกปฏิบัติ ภาวนาเพิ่มบุญญาพาตนข้นทุกข์เอ่ยขอกุศลผล สมดังอรอันประเสริฐที่หลวงพ่อคันทีสวัสดียะราวาริวหาสุราปริสุเรนติ เอโนวนรโสยธามนิโสติระโสยธาสะสิติโยยวัจันตุ สุภะพุทธานุภาเวนะสทาโสธีทะวันตุเตภะวะตุสัพพะมังคลังลักขณุสาปะเทวะตาสุภะธัมมานุภาเวนะสทาโสธี